เพราะฉะนั้นยังมีเกิดมีดับอยู่ดังนี้และยังไม่หยุดเกิดหยุดดับเพราะมีสัน ต, ติคือความสืบต่อเช่นเมื่อหายใจเข้า ให้ใจออกแล้วก็ให้ใจเข้าอีกแล้วก็ออกอีกดังนี้ต่อกันไปคือเกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วเกิ ด, แ ล, กดแล้วก็ดับต่อกันไปความที่ต่อกันไปนี้เรียกว่าสัน ต, ติคือความสืบต่อและเพราะสืบต่อกันไปได้ดังนี้จึงเป็น วิธีอันหนึ่งที่แก้ทุกขเวทนาของร่างกายเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วเข้าอีกดังนี้ก็สบายถ้าหากว่า หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กลับต้องหยุดหายใจเพราะเหตุใดเหตุนหนึ่งก็เกิดเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยปกติก็สบายไม่รู้สึกเป็นทุกข์ยืนเดินนั่งนอนพลัดเปลี่ยนกันไปอยู่ก็สบายไม่เป็นทุกข์ ถ้าต้องเดินมากเกินไปไม่หยุดก็เป็นทุกข์หรือยืนนานเกินไปก็เป็นทุกข์นั่งนานเกินไปก็เป็นทุกข์นอนนานเกินไปก็เป็นทุกข์แต่เพราะพลัดเปลี่ยนไปได้ก็สบายเพราะฉะนั้นความที่ร่างกายประกอบกันอยู่ นีไม่มีโรคอะไรมาเบียดเบียนก็รู้สึกสบายให้ใจเข้าให้ใจออกได้สบายปัดเปลีิยนกายบุได้สบายยักเยืงอาการกิยาของกายต่างๆได้สบา ย, ย ดังนี้จึงมองไม่เห็นทุกข์เพราะว่ามีสุขแก้ทุกข์เพราะเหตุที่หายใจเข้าหายใจออกได้เป็นต้นอยู่โดยสะดวกไม่ขัดข้อง เพราะฉะนั้นจึงทำไม่ให้เห็นทุกจึงทาให้ไม่เห็นทุ ก, ท เ, ทกเพราะความสมบูรณ์บริบูรณ์ของร่างกายที่เป็นไปอยู่ต่อเมื่อร่างกายอันนี้ต้องพบกับความขัดข้อง อันเป็นเหตุของความทุกข์ต่างๆเช่นไปอยู่ในที่ที่มีอากาศไม่พอหรือว่าจมน้ำต้องอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆปัเปลี่ยนไม่ได้หรือแม้ว่าเพราะเหตุที่ต้องเจ็บป่วย เป็นรียบทไม่ได้สะดวกดังนี้เพราะโรคกดตามเพราะชาราก็ตามความทุกข์ก็ปรากฏมากขึ้นมากขึ้นแต่อันที่จริงความทุกข์ปรากฏขึ้นที่คนทั้งหลายรู้เห็นนั่นเป็นตัวทุกขเวทนาโดยมาก แต่ว่าทุกอีกอันหนึ่งที่ต้องใช้ปัญญาจึงจะมองเห็นก็คือความที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับ บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ที่มีลักษณะดังนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะมองเห็นและจะมองเห็นทุกข์แม้ในขณะที่กำลังเสวยสุขเวทนา เป็นในขณะที่ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อย่างสบายมีความสุขก็มองเห็นทุกคือความที่ต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปดังให้ใจเข้าความให้ใจเข้านั้นจะตั้งอยู่ ไม่เปลี่ยนมาเป็นให้ใจออกก็ไม่ได้แล้วเมื่อให้ใจออกแล้วจะไม่ให้ใจเข้าก็ไม่ได้ดังนี้เป็นความเกิดความดับที่มีอยู่ในขณะที่มีความสุขเพราะฉะนั้นตัวความสุขนั่นเองริงเป็นทุกข์คือความสุขนั่นเองก็ต้องเกิดต้องดับ ถ้าความเกิดความดับของความสุขนั้นมองเห็นอย่างหยาบก็ได้มองเห็นอย่างละเอียดก็ได้มองเห็นอย่างหยาบนั้นก็เห็นในระยะยาวเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อใดจึงจะเห็นแต่ว่าเห็นอย่างละเอียดนั้น จะเห็นในขณะที่กำลังเสวยสุขเวทนาอยู่นั่นเองว่าตัวสุขนั่นคือตัวทุกข์เพตัวสุขนั่นไม่ได้ตั้งอยู่คงที่เลื่อนไปอยู่เสมอเปลี่ยนไปอยู่เสมอเหมือนอย่างน้ำที่ไหลไปอยู่เสมอไม่หยุดหรือว่า ควันไฟที่พุ่งออกจากปล่องจะเห็นพลยพุ่งเป็นลำแสงขึ้นเป็นลำควันขึ้นไปดูเหมือนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอันเดียวกันแต่อันที่จริงนั่นควันนั่นหาได้เป็นตัวเป็นตนไม่ แต่ว่าเลื่อนขึ้นไปอยู่เสมอแต่เพราะที่มีควันจากภายใต้หนุนเนื่องขึ้นไปจึงมองเห็นควันที่ปล่องที่สุดปล่องนั้นยังคงพุ่งพุ่งขึ้นไปเป็นเกลียวขึ้นไปอยู่ตลอดเวลา <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนอย่างเป็นอันเดียวกันแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกัน ควันนั่นก็เกิดดับเกิดดับเลื่อนไปอยู่เสมอควันที่เห็นมืดที่ปากปล่องควันในนาทีนี้กับอีกนาทีหนึ่งข้างหน้านั้นคนละอันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นสัมส ต, ติคือความตื่นคือความสืบต่อ และเป็นความผัดเปลี่ยนเป็นเครื่องปิดบังมิให้เห็นเกิดเห็นดับซึ่งเป็นตัวอนิจจคือไม่เที่ยงมอเห็นทุกขะคือตัวความทุกข์และเมื่อเป็นดังนี้ก็เห็นนันตตาไม่ได้ยังเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนอย่างเห็นร่างกายนี้เป็นก้อนเป็นแท่งอยู่เสมอ มองไม่เห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนต่อเมื่อเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงเห็นทุกขคือเป็นทุกที่เป็นอย่างละเอียดคือสามารถเห็นทุกในขณะที่เป็นสุขได้ว่าตัวสุขนั้นคือตัวทุกดังนี้แล้วจึงจะเห็นอนัตตาได้ถนัดขึ้นเมื่ออันที่จริงนั้นสิ่งที่ยึดถืออยู่ ว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราเรากิจแท้จริงเพราะบังคับให้เป็นไปตามรลักรนามิได้ต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอดังนี้ลมหายใจเข้าออกก็ดีอิริยาบถก็ดีอาการของกายต่างๆดังกล่าวมาแล้วก็ดี ก็เป็นอนิจจทุกขะอนัตตาทางนั้นดังนี้เป็นการหัดปฏิบัติมาทางวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานทั้งสี่นี้จึงเพื่อทั้งสองอย่างคือเพื่อเพื่อสมถะด้วยเพื่อวิปัสสนาด้วยต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงอบสืบต่อไป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 ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานเป็นหลักปฏิบัติทั้งเพื่อสติและทั้งเพื่อยานคือความอย่างรู้ หรือปัญญาความรู้ทั่วถึงและนำให้ตั้งอยู่ในศีลได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อจิตตั้งไว้ดีแล้ว อาการทางกายวาจาตลอดถึงใจก็ย่อมจะเป็นไปดีและก็ชื่อว่าเป็นภูอันธรรมรักษาธรรมนั่น ก็แปลว่าทรงไว้ดำรงไว้โดยตรงก็คือทรงดำรงจิตใจนี้เองให้ตั้งอยู่โดยชอบถ้าไม่มีธรรมะรักษา ้ต้องอยู่โดยชอบจิตใจนี้ก็ย่อมจะตกตำ่ำลงได้โดยง่ายถ้าเรียบถ้าเทียบเหมือนอย่างร่างกายก็ทรงร่างกายอยู่ไม่ได้เหมือนคม เหมือนคนที่เป็นลมล้มลงทรงร่างกายไว้ไม่ได้หรือไม่เป็นลมล้มลงบางทีก็หกล้มหกขมเมนทรงตัวอยู่ไม่ได้ฉะนั้นแม่ร่างกายเองจะทรงหรือดำรงอยู่ได้ ก็ต้องมีกำลังสำหรับที่จะสรงกายโดยมีชีวิตเป็นเครื่องดำรงอยู่เป็นหลักแกนเมื่อมีชีวิตดำรงอยู่เป็นหลักแกน กับมีกำลังสำหรับที่จะดำารงกายจึงดำารงกายอยู่ได้เดินได้ยืนได้นั่งได้นอนได้ลุกขึ้นอีกได้โดยเสรีคือตามประสงค์ จิตใจนี้ก็เช่นเดียวกันต้องมีธรรมะรักษาอยู่จึงจะดำรงอยู่ได้ไม่ตกตำ่ำและดำเนินอิริยาบถของใ จ, ใจิตใจ ไปได้ต่างๆโดยชอบธรรมะสำหรับที่จะเป็นเครื่องดารงจิตใจนั้นก็ธรรมะทุกข้อนั่นแหละจะเป็นสติก็ดีจะเป็นปัญญาก็ดีจะเป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นปัญญาก็ดี จะเป็นขันติความอดทนโสรจะความสงบสเสงี่ยมเป็นต้นก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะสำหรับเป็นเครื่องดำรงจิตใจทางนั้นไม่ให้ตกตำ่ำดังจะพึงเห็นได้ว่าจิตใจที่ตกตำ่ำ ไม่มีธรรมะสำหรับที่จะดำรงอยู่คือขาดวิรัติความตั้งใจงดเว้นขาดสติขาดขันติเป็นต้นจึงลุ่งละเมิดศีลขอเจตนาความจงใจ ละเมิดศีลต่างๆก่อกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตต่างๆดังนี้เป็นใจล้มทั้งนั้นไม่ใช่ใจตั้งใจล้มไม่มีธรรมะมีวิรัตความตั้งใจงดเว้นเป็นต้นดังกล่าว แต่ที่ทุกคนรักษาศีลไว้ได้ก็เพระาะใจตั้งได้ไม่ล้มโดยมีวินัสที่เจตนาความตั้งใจงดเว้นมีสติมีขันติเป็นต้นรักษาไว้และเมื่อปฏิบัติในสมาธิ คือตั้งใจมัน่นความตั้งใจมั่นนั้นก็คือตั้งใจไว้ได้โดยชอบมั่นคงไม่ล้มไปตามอารมณ์ และกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกุ่มรุ่มร้อน ต, ต่างๆถ้าหากว่าไม่วสมาธิคือความตั้งจิตมั่น จิตใจก็ย่อมจะงนเงนินตั้งไม่ติดจนถึงจิตล้มแล้วเมื่อจิตล้มแล้วก็เสียหมดความตั้งใจไว้ดี การกระทำที่ดีต่างๆอันเกิดจากความตั้งใจดีก็ล้มหมดไปตามจิตที่ล้มแต่ถ้าหากว่าตั้งจิตอยู่ได้มัน่นนี่แหละคือตัวสมาธิแม้ว่าจะไม่ได้มานั่งปฏิบัติทำสมาธิ ในขณะที่ประกอบกิจการต่างๆอยู่โดยโปกตินั่นแหละเมื่อมีจิตตั้งอยู่มั่นคงในทางที่ชอบแม้ว่าจะประสบอารมณ์จนมังเกิดกิเลส กองโลภก็ดีกองโกรธก็ดีกองหลงก็ดีขึ้นก็มีธรรมะรักษาไว้ได้ไม่แพอารมณ์ไม่แพ้กิเลส จ, จิตใต้ดังนี้ก็เรียกว่ามีธรรมะรักษา แต่ถ้าจิตวันไหวไปเท่าไหร่งวนเงินไปเท่าไหร่ก็เรียกว่ามีธรรมะรักษาน้อยจนถึงล้มก็แปลว่าไม่มีธรรมะรักษา เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาดูจิตของตนว่าเป็นอย่างไรให้รู้ตามเป็นจริงและก็ให้รู้ว่าถ้าจิตนั้นงนเงินจะล้ม ก็แปลว่าทิ้งธรรมะไม่นำธรรมะเข้ามาตั้งไว้ให้มัน่นคงดังนี้แหละคือขาดสมาธิก็เตื่นใจให้นำธรรมะเข้ามาตั้งไว้นำสตินำขันติ นำปัญญาเข้ามาตั้งไว้และเมื่อนำเข้ามาตั้งไว้ได้ก็จะแก้ไขจิตที่วันไหวเงินจะลมนั้นได้ให้ตั้งอยู่ได้ดำรงอยู่ได้นี่แหละคือสมาธิเป็นสมาธิที่ต้องการ ให้มีอยู่ประจำตนทุกเวลาไม่ใช่แต่ในขณะที่มานั่งทำสมาธิเท่านั้นการที่มานั่งทำสมาธินี้เท่ากับว่ามาฝึกหัดเหมือนอย่างทหารที่ฝึกหัด การฝึกหัดนั่นก็เพื่อจะนำไปใช้จริงในเมื่อเกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือในขณะสงครามผู้ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันขณะที่มานั่งหัดปฏิบัตินี่เท่ากับมาฝึกหัด สำหรับที่จะไปะเผชิญกับเหตุการณ์ทั้งหลายในเมื่อเลิกจากการนั่งสมานิที่นี้ไปแล้วในที่ทุกสถานในการกเมื่อในกิจการทุกๆอย่างเพราะจะต้องประสบกับ ขาดสคืออารมณ์และกิเลสทั้งหลายโดยรอบฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะรักษาอยู่อย่างมั่นคงทำความรู้สึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีธรรมะรักษาอยู่อย่างมั่นคง ไม่ยอมให้บรรดาอารมณ์และกิเลสทั้งหลายมาทำจิตใจให้รุนเรให้ล้มบุคคลที่ประพฤติประพฤติทุจริตต่างๆล่นมีจิตล้มทั้งนั้นดังเช่นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานต้องรักษาทรัพย์ ของผู้อื่นจนเหล่าจนถึงของหลวงของแผ่นดินเมื่อเห็นทรัพย์เขาแล้วเกิดโลภขึ้นกระจล้มเป็นล้วความโลภแล้วก็ยอมจะประกอบการทุจริตคดกงช่อชนเป็นต้นไปตามอำนาจของกิเลสกองโลภะนี่เรียกว่าจิตล้ม โลภเขามาแล้วจิตล้มล้มความสู้สัตว์สุจริตซึ่งอาจจะได้เคยตั้งใจไว้ว่าจะ ป, ะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตก็แปลว่า ในขณะที่ยังไม่พบเครื่องล่อก็ เ, เหมือนว่าจิตใจนี้ก็สู้สัตจจวัตรดีอยู่แต่ครั้งไปพบเครื่องล่อเขาแล้วใจก็ล้มเป็นเพราะความลบเมื่อใจล้มก็เป็นอันว่าทำทุ จ, จริตได้กองโทสะก็เหมือนกัน กดดังใจไว้ว่าจะตั้งอยู่ในความสุจริตจะประกอบกรรมอันเป็นกุศลต่างๆแต่เมื่อประสบอารมณ์ในกิเลสที่เป็นกองโทสะ ก็ทําให้ใจล้มเพราะเหตุว่าไปปฏิบัติเป็นการประทุษร้ายผู้อื่นบ้างประทุษร้ายตนเองบ้างเราทุษร้ายผู้อื่นนั้นก็คือว่าไปทําร้ายเขาด้วยความโกรธประทุษร้ายตนเองนั้นก็คือว่าเลิกละกิจที่คนจะทํา เพราะความโกรธก็เป็นอันวัดใจล้มนั่นเองแต่ถ้ะหากว่ามีธรรมะรักษาอยู่เช่นมีปัญญามีเมตตามีกรุณาที่มีกำลังเหนือกว่า